วิธีลงอุคเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตอย่างนี้คือเบื้องต้นโจทย์ภิกษุชื่อชนะครั้นแล้วให้ภิกษุชื่อชนะนั้นให้การปรับอาบัตครั้นปรับอาบัตแล้ว ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติจะตุทธกรร ม, มวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อชนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะทำคืนอาบัตถ้าสมพร้อมกันแล้วพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุชื่อชนะ ห้ามสมโพกกับสงนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฝังข้าพเจ้าภิกษุชื่อชนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะทำคืนอาบัตสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุชื่อฉันะห้ามสมโพกกับสงท่านรูปใดเห็นด้วย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 ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุชื่อฉันะห้ามสมโพกกับสงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภ<ม>ิกษุชื<ม>่อฉันะห้ามสมโพกกับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทําคืนอาบัติสงฆ์ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภคกับสงฆ์ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภค ก, กับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตสงลงแก่ภิกษุชื่อฉันนะแล้วห้ามสมโภค ก, กับสงสงเห็นด้วย เพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบอกภิกษุในอาวาสต่อๆไปว่าภิกษุชื่อฉันนะถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติห้ามสมพอ ก, กับสง